เซขาปฏิปทาสนทยาตามิกถาวันที่เก้ามกราคมพศ2547เรื่องจารณาสิบห้าตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยอันมีผลอันสูงเลิศในสมรภารเหล่านั้นจะมีความสุขเป็นวิบากจะมี อารมณ์เลิกเป็นไปเกื้อกูลแก่สวรรค์เมื่อตายจะไปทําบุญกับพระสองคุ่มจะไปทําำลายอย่างนั้นให้จะไปทําอย่างนั้นเศรษฐีก็เลยถามต่อไปว่าไทยเล่าซึ่งเป็นยอดสมณธรรมในที่นี้ที่ว่ามะทับประมาธาปริวิริตาเว้นขาดจากความม่วงมองประมาทมันมีแนวแนวมางของพระอยู่สิบอย่างเมื่อขอนํามาุฒดมันจะเสียเวลาถ้ากวินได้มันหนุดเม้าอยู่ได้เมอาซีดแนวคน เคยสฟังมือใ ห, หม่ก่อนมึนงกา oh. พวกเศรษฐีทั้งหลายเพื่อนก็เลยบอกว่าพระสารีบุตรไม่มีใครเกินถ้าพวกนี้น่าจะเป็นยังผลอันสูงเลิศให้เป็นไปในทักษิณาฐานของกดก็เลยตกลงพวกนี้เราจะไปนิมนต์มาฉันที่บ้านถาวายผ้าตามเป็นช้าก็เลยไปนิมนต์ท่านก็มามาฉันที่บ้าน แต่เนต่ยจะถวายผ้าสับเนลินเพื่อจะได้บุญเป็นผ้าที่มีค่ามากพรากว่าในขณะที่เดินมามีคลองข้ามม้วงห้งหาวมคองคลองนั้นไม่มีสะพานมีไม้ท่อนเดียวผ้าแล้วก็มีมีราวให้จับชายคนนั้นแกเป็นห่วงแกบอกว่ า, วาท่านผู้เจริญท่านสารบุตรผู้เจริญคลองนี้มันลึก แต่ไม um, ้กระดานไม่มีมีมีมีไม้ขอนคอนเดียวถ้าหานไต่ไปผ้าไปตกลงไปจะเกิดเสียอวัไวะจะเจ็บปวดกับผมก็น่าจะได้รับบาะรับกรรมด้วยแตผมจะข้ามไปก่อนจะขอรอรอช่วยเหลือให้ท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังนะผมจะข้ามไปขอช่วยให้สาธุว่าวยังไงรู้ไหมอชาถาปโตโหตุอุปาสุปาสโกวุาสกเอ้ยเบาใจเถิดไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงทำยังไง บาสอลแบบว่าพัดถ SI ันเ well. ลยหมเจ้าฝากเดียวกระปั้เจ้าฟากเดียวรู้ว่รเลนด้างเลยผมเลยมันยังมันยังาบอกว่าอาสาทับโตโหตุบาสโกอุบาสโกเอ้ยเบาใจเถิดไปเบ็นไปยังดอกเจ้าฝางเดียวกระปั้กทุกเขมรเลยทลายหลอหลายไปสองสามเก้าวิ่งเลยโดดย่องขามเลยไม่ได้ใจคอเลย เศรษฐีนั่งดูงองค์อนุจังตายแล้วเนึ่ว่าพระเดเจ้าพาาาระอรหันต์ที่แท้ลินเดโมุนดีๆนี่อะไรเมื่อถวายมดถึงสามพื้ น, นทั้งหมถวายสองพื้นก็พบอีกพืนหนึ่งเองาไวถวายองค์อื่นจะได้บุญเพื่อมาได้ไม่ได้แจกองค์นึงจะได้แจกองค์เกินนี่หาไปแล้วองค์ฝืนหนึ่งแล้วนะและ้วเดินต่อชายคนนี้ก็ศรัทธาตกกุ้เดินตีก็ไปถึงอีกคลองหนึ่งมีสะพาน่เดียวกัน ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าท่านาตาดีกว่ผู้เจริญคลองนี้ยิ่งลึกนะผมเป็นห่วงท่านมากผมจะไปคอยช่วยท่านในโน่นถ้าท่านตกลงไปพลาดพังไปจะบปวดเสียไว้วะองค์ข้าของท่านผมจะได้รับบาปได้รับกรรมด้วยผมมีความดื้อร้้งใจก็ว่าอีกแล้วลอาสาสะปะโตโหตุอุบาสโกไม่ต่อเป็นห่วงดอกอุบาสกเอ้ยเบาใจซะทีนี้ถอยละวิเป็สิบเก้ามันคองลึกตอนปกติเขาป๊อ <ห>วุยผ่านฝนจนในาาดูลิ้นถาดโดทีเดียวจุ๊กฆ่าไปโดนมีอีกหมยคยองนี้เราชายคนนั้นฟองอันนี้จังเลยสัตธาตุตกบุกตายตายแต่ลิงชัดๆเลยเมื่อใช้ไฟเยอะอไรเยอะอะไรดอกลิงค้นเมื่อตออถวายถึงสองเพือนถวายเพื้นเดียวอีสองเพื่นนี้เอาไว้ถวายองค์อื่นเพือจะได้บุญถวายกับลิงเมื่อน่าจะได้บุญนม่ในใจ ไปอีกคืนจะถึงเกย จ, ถ, จถึงบ้านแล้วเหลืออีกคองหนึ่งคองนี้เล็กเล็กๆมีไม้กระดานแผ่นหนึ่งแต่ไม่มีราวจับก็เลยบอกนั่งลงท่านสารีบุตรผู้เจริญคองนี้เป็นคองเล็กแต่มีไม้กระดานแผ่นเดียวเล็กๆไม่มีราวจับข้างบนผมกลัวท่านจะโตลงไปจะเจ็บขาเจ็บแข้งคงจะมานั่งรอคอยที่นั่นนะ เผื่อเป็นอะไรไปผมจะได้ช่วยท่านทนผมจะไม่สบายใจเลยถ้าท่านเป็นอะไรไปก็ไว้นัน่นแหละอสซาสปาโตโฮตุปสโกวาโซเอ้ยไม่ต้องห่วงหายห่วงเธอะสบายใจเบาใจได้ทำยังไงทีนี้ไม่โดดเดินไปแค่นั่งป๊อกเอาก้นตลอดตลอดตลอดไป <c ười> ขึ้นฝรั่งที่นีน่มาคับคานก้อยก้อยขึ้นมาเอ้คนนี้นั่งมองโ ด, อดยอกใจ ทำไมโนไม่กระโดดของเล็กๆ เ, เดินลงก็มาลงคาน ล, ลงไปเอาก้นค่ อ, อ, อ, ไอไยๆไถลงไปแล้วก็คานขึ้นมาพอขึ้นมาปับ๊บวาสุคนี้ก็เลยกราบแล้วนั่งพนมเมืองถามพันเตซาเลปโตท่านสาเลปตูบบผู้เจริญคลองนี้ก็เล็กทําไมท่านม่โดดข้ามเหมือนคลองอื่นที่มันใหญ่กว่า สีนิทังเตรทาราวะอโหสิอิริยาภัทโธอิริยาบทของท่านนในขณะนี้ละมุนละไมน่ารักเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจะเปล่าภาชนะน่าเลื่อมสายยิ่งนักโอช่าง น, น่าเลย่สายยิ่งนักทําไมนอนท่านจึงไม่กระดดของเล็กๆขึ้นกระโดดก็ไม่ได้ทักขึ้นนายสีถามกมันแล้วว่าโอ้ผเลยจุกจุกขึ้นเดียวแต่คื้นกระโดดไม่ได้ทักคื้นเลยตอกได้ขนลุกคนพองสยองเก้า แหมนึกว่าลิงรู้ไม่โดยข้งเราคิดเราคิดว่าจะถวายเพียงเดียวก็รู้อีกด้วยว่ายอะเหลือเพเดียวถ้าอจะมาวักรโดยไม่ได้สักคืนเลยอาจมารักษาข่มทัพไป้แหงโยมอย่าลืมนะเพราะโยมเท่าไรสถานนี้เป็นทรัพย์นะที่เรามาที่นี่ก็มาด้วยสถานสถานนั้นเป็นทรัพย์ของเราศรัทธาวิตังปุริสาเสธถังศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนในโลกนี้ อย่าให้ทรัพย์ของท่านหมดไปนะมาทิ้งรักษาทรัพย์ไว้ดีๆนะเพราะอาจจะมาอาจจะรักษาให้ท่านไม่ได้ขอพระสงฆองค์เจ้าเหล่านี้จะรักษาทรัพย์ให้แก่ท่านมนุษย์จะได้สักแค่ไหนจะต้องรักษาด้วยศีลวัดข้อวัดปฏิบัติที่งดงามจะช่วรักษาน้ต่จของท่านมีสตางค์สตางค์ของท่านนะครับมันหายไปมันก็ทรัพย์หายสตางค์วิตังบุริสสเสถังสตางค์คือทรัพย์อันประเสริฐของมนุษย์ของมนุษในโลกนี้ เมื่อมาถึงบ้านถวายอาหารแล้วก็ถวายหมดทั้งสามเพืนนั่นแหละไม่ได้ถวายเพืนเดียวหรอกถวายหมดแล้วก็ไปส่งสะพายของไปส่งที่วัดไปส่งเสร็จก็กลับไปเก่าพระพุทธเจ้าอยู่ในอยู่ในวัดเวรวันก็ไปเล่าเรื่องกระโดดข้ามของพระพุทธเจ้าฟังว่าเอท่านสมบูรณ์ทำไมเป็นอย่างนั้นถ้า่าเป็นท่อรหัสกิริยาอาการของท่านมือนดิง ถ้าวันพระว่าไม่เป็นผมคิดทั้งกุโรคงัเลยสงสัยผมสงสัยอย่างมมเขาไว้ยาวก็เลยบอกว่าอสังเสยังอย่าสงสัยเลยบุตรของเราเธอทําอาสวะให้สิ้นแล้วเป็นพระคีนาศกผู้ทําอาสวะสิ้นไปแล้วอันไร้สั้นมัหมดแล้วเธอไปพระว่าันเดียตัวไปเลย เธอทำลายกิเลสสิ้นแล้วแต่เธอถ้าไม่สามารถทำลายวาสนาของเธอจะลืมนะวัฒนาทำลายยากนะวาสนาดีก็มีวัฒนาชั่วก็มีถ้าดีเรียกว่าสุวาสนาปริปากังปริมิตาถ้าวัสนาดีป็นจะบ่มบรารมีให้สุขงอมปริปากางปังแปลว่าสุขงอมสุขเทีย่ยมไม่เลชั่น ภาษาฝรั่งว่าอย่างนั้นจึฉบอกว่าเธอทาลายอาสวะกิเลสสิ้นแล้วแต่เธอเมื่อสามารถทำลายวาสนาได้พระพุทธเจ้าพระปเจ้าพุทธเจ้าทัางนั้นที่สามารถทำลายวาสนาได้ลดวรร่งของใหมน่นิดนดียงก็ได้เป็นนั้นว่า เราเข้าใจว่าศาสนานะให้บอกว่าสาลีบุตรนี้เธอเป็นลิงติดต่อกันมาห้าร้อยชาตินิสัยคืลิงนิสัยตกขานของมเคชินตกขางนั่นแหละคือว่าาสนาเพราะฉะนั้นเรามาฝึกเสขาปฏิปทาฝึกเจริญสมาธิภาวนาไปเรื่อยมันจะไม่เป็นนิสยัยให้แกเราบ้างเลยไม่เป็นว่าาสนาให้แกเราบ้างเลยไม่ได้อะไรเพราะมันได้วาสนานะพรุ่งนี้เราจะมาต่อ การเจริญสมาธิภาวนาแบบอารามวงศนิชฌานเพื่อเอาความสุขในปัจจุบันทันตาเห็นให้ได้วันนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะสงสารกับผมสงสารตามะมะเนืยไม่มีเสียงไม่เกินอำนาจความสามารถของพวกเราในอนุภาพของการเจริญอ า, า, านาปนสติ สมาธิภาวนาทั้งสี่ผลนี้ไม่เกินอำนาจเราไม่ไม่ไม่ไมเลววิสัยของพวกเราพวกนี้เราจะได้พูดกันเวลาวันนี้มันล่วงเลยมันเกิดจะสามทุมแล้วผมจะได้ไปต่อเส้นนี้ต่อไปขอความเจริญงอแ ง, งในอริยะยะธรรมในสมาธิที่เป็นโลกียะและโลกุตระให้กลายเป็นทิฏฐุชุ ก, กรม จง บ, บังเกิดมีในจิตในใจของพวกเราทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองคทุกท่านทุกคนเถินสาธุสุวาสนาปริปากังปริมิตาโพธิญาณังปริปุเรนติหูตูสาธุจิรังทีขมัตทานังตถาคตับเทิเทหูตู สาธุแล้วต้องต้องรักรักรักคํำสัญญาไว้นะเขาบอกว่าชีรังทีวัฒนังอิวัฒนิงตถาคตประเวทิเหโหตุให้ท่านละลาผ่ากันชีลังยั่งยืนในศาสนาในธรรมเนียของพระผู้มีพระภายเจ้าที่ตไว้ดีแล้วนะชาติหน่าจึงเึกนะโหนะโหตูนะแต่ว่าสาธุเลยจะไปทานซิกเลยคนยุติภาสิกเอาอยู่บ่อนสุดสุสาธุเลยอัสสิกนะ อคาครูบาอาจารย์นิ่บนกรุเข่าขึ้นนะครับพร้อมเพียงกันญาโยมกาศที่หลังสาธุสาธิอุทิงสัมปาปุเนจะมาทำให้เรียประเวทีเทิดหูตู